بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والعاقبة للمتقين و ل ا ع و ا ن إ ل ا على الظالمين وأصلي وأسلم على ا شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسن ا إليهم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ح ي ا ك من พวกเรา نعم كل نعم ทุกคนจะมีอะไรในชีวิตทีเ่เป็นเรื่องสำคัญเป็นที่พึ่งบางคนมีสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาในเรื่องอาหารการกินไปไหนไม่ได้ในต้องต้องมีแผนความมั่นคงยุคนี้หลายคนสิ่งที่สําคัญที่สุด คือที่สุดของที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยคือคือมันถือมันมันเทียบได้เหมือนอะไรดวงวิญญาณนะะสังเกตไหมพอลืมมือถืออะไรเนี่ยท่าไงท่ามั้ยคนที่ลืมมือถือเหมือนลืมวิญญาณไปอยู่ที่บ้านเบางคนนี่มือถือนี่ก็แค่เป็น เครื่องมือที่สําคัญที่สุดในชีวิตนี้อะไรที่อยู่ในเครื่องมืออะไรอยู่ในเครื่องที่สําคัญที่สุดในเครื่องมืออะไรเบอร์พ่อแม่ไหมเออเกมไหมที่สําคัญที่สุดในมือถือเกมไมฝ่ายกุรุนนะั้น บางคนสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี่คือภา a n ะต้องมีภา ana นั่งรถมีไม่เป็นนางรถไฟฟ้าไม่เป็นต้องมีภา ana บางคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยคือคนใกล้ตัวที่สุดอาจจะเป็นพ่ออาจะเป็นแม่อาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นน้องชายอาจจะเป็นพี่ชายอาจจะเป็นเพื่อน ใครก็ได้ที่เขารู้สึกว่าคนคนนั้นนเป็นที่พึ่งของเขาเป็นตู้เซฟของเขาแต่ที่สําคัญนะครับว่าสิ่งสําคัญเหล่านั้นนะ่ะจะต้องใกล้ตัวเรามากนะต้องใกล้เอื้อมมือเลยนะหมายถึงว่านึกเมื่อไหร่เนี่ยต้องได้ทันทีถึงจะมีความสําคัญ แต่หากว่ามีความสำคัญแตบบ่พอต้องการไม่อยู่มันจะถูกลดความสำคัญทันทีเลยนะพวกเรานี่ลำดบับความสำคัญ เ, เหมือนบนัญนีราคาทองคาเลยนะราคาของอะไรใกล้ตัวนี่มันอยู่ที่ความสำคัญนะถ้ามันสำคัญลดไปเนี่ยเราก็จะลดคะแนนความสำคัญของมันอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีอะไรอะไรที่มันนิ่งะความสำคัญมันนิ่งนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสร้างความอบอุ่นความมั่นใจความมั่นคงในชีวิตของเรามากที่สุดมากที่สุดถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนแต่เราสามารถติดต่อได้และสิ่งหลนะ่นั้นมันสามารถอำนวยสิ่งที่เราขาด สิ่งที่เราต้องการสังเกตดูนะชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีเยอะหรอกมีไม่กี่อย่างมีมีไม่กี่ทางเลือกแต่วันนี้เราขอมาปรับทัศนคตินิดนึงความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราสําหรับผู้ศรัทธานั้น ซาหรับมุสลิมมานะซาหรับคนทีมีลาอิลาห์อิลลัลลอฮ์มีุฮัมมัด رسولullah นี่ทางเลือกของเขาในการที่จะเอาความสําคัญนี่มามามาใส่ในชีวิตมาใส่ในชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานสูงสูงกว่าคนอื่นในฐานะที่เป็นมุสลิมสมมติสมสมุติว่ามุสลิม คนหนึ่งถือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยซองบุหรี่สมมตินะซึ่งซึ่งมีคนแบบนี้หรือขวดเหล้าผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังนะว่ามีเจ้าหน้าที่โรงกันเหล้าเก่าอันนี้ตอนนี้ปิดละมันอยู่แถว ตรงข้า บ, บังอ้อนี่ยเขาเรียกอะไรอะฮะบงังยี่ขันมันจะมีโรงกั่นที่นูน่นนะเก่าแล้วปิดแล้วนะแต่มันจะมีมันจะอยู่อยู่ในแม่น้ําช่พระยาเลยนะแล้วก็ไอ้โรงกั่นเหล้าเนี่ยมันจะมีหม้อสองหม้อใหญ่ในหม้อไว้ไว้ต้มต้มอะไรต้มต้มเหล้านี่แหละต้มต้มต้มแลกกันไงเพรากั่นนี่มันต้องต้มไงใช่ไหมท่าน้าดีคนนึงคือ เขาเซล์นะเขาพูดแซลนะ์บอกว่าเนี่ยหม้อหนึ่งนี่นะนี่สําหรับแขกสําหรับมุสลิมเขามียุกหนึ่งนะมุสลิมนี่กินเหล้าเก่งยุกหนึ่งยุคหนึ่งมุสลิมนีกินเหล้าเก่ ง, ง, งก เ, เงดวนี้น้อยละ่ะพรอมีอย่างอื่นมาทดแทนแต่บุรีนี่ยังติดอันดับนะ บริเนียงติดอันดับต้นๆเลยสถานซาอุดีเนี่ยสถานทูตซาอุดีเนี่ยเขาเคยจัดสัมมนาวิศนักวิชาการข้อเตบทั่วประเทศรวมตัวกันเข้อเตบทั่วประเทศนี่โอ้โหน่าจะเป็นพันนะมาอบรมพวกเข้อเตบนี่ว่าเออเขาควรที่จะพูดอะไรเรื่องราวของศาสนาทักษะเรื่องหลักการอะไร สมัมมนามันก็จะมีช่วงพักใช่ไหมช่วงพักเบรกใช่ไหมนั่นแหละพักเบรกเนี่ยเจ้าภาพเนี่ตกใจเลยอะตกใจเพราะตอนพักเบรกเนี่ยพวกเขาเตะพวกนักวิชาการนี่พูดถึงเขาเตะนักวิชาการนะนักนักการศาสนาเขาไม่ได้ไปกินกาแฟกินอาหารว่างเลยไม่เขาปุ๊บหนีออกจากห้องสมัมมนานี่ไปสู่บุหรี ทนฟังสองชั่วโมงนี่ทนฟังสองชั่วโมงนี่ออกรีบออกสัตบุรีกันเละเนี่นี่ระดับนักวิชาการระดับคณะกรรมการระตตดับขตีบที่จะมีหน้าที่ต้องสั่งสอนชาวบ้านนะ่ะเขาเป็นแบบนี้และวชาวบ้านนะ่ะจะว่าอย่างไรบางคนเนี่ยสิงเสติ สำหรับเขานี่นะไม่จำเป็นต้องบุหรี่ต้อ ง, ต, องต้องสิ่งเสพติด จ, จริงๆ น, นะนะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อย่างอย่างอย่างเกมก็ได้บางคนก็เสพติดเกมกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์โฮอร์โมนของของตัวเองอะ่พะพอเสพแล้วเนี่ยเสพเกมเสพทิกตอ็อกเสพโซเชียลเสพอะไรก็ได้ ร่างกายมันจะนิ่งมันจะสงบสยบจึงจะหลอกลวงตัวเองว่านี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการพอเครียดทำอะไรถามนี่พอทามีอะไรไม่รู้มันวุ่นวายทำยังไงอ้าวดูติกต็อกคือมันจะคลายเคยรียดไงแล้วเขาปลอบใจตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วมันตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการแต่นี่ไม่ควรที่จะเป็นมาตรฐานของของผู้ศรัทธา ผู้ศรัทธาที่มีอะไรสูงส่งในชีวิตมีพระเจ้ามีสวรรค์มีอมีอะไรตัวมีอะไรมันมันสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นน่ะธรรมรฐานของเขาในการที่จะตอบโจทย์สิ่งที่สำคัญในชีวิตเนี่ยแค่นี้คือหมายถึงว่าว้าวุ่นพอได้เสพสิ่งเหล่านั้นน่มันจะรู้สึกดีรู้สึกดีถามถามถามคนที่สูบบุหรี่ทำไม ทำไมพอกินข้าวนี่ต้องสูบบุหรี่เหมือนเป็นซุนแน่เลยนะหลังพรัรดวสังเกตไหมคนนี้คนที่สูบบุหรีน่นี่คือตืน่นอันนี้หนึ่งวัคตูละ่ะตื่นอันนี้ก่อนที่จะอะไรเลยนะก่อนที่จะคุยกันอันนี้หนึ่งฮะสองคือหลังกินอาหารใช่ไหมหลังกินข้าวาแล้วก็ตอนเครียดโมโหแล้วเครียดจุดเลยแล้วเขาจะรู้สึก ถาว่าเออทาไมอ่ะเขาแรู้สึกดีแล้วรู้ไหมว่ามันก่อมาแรงเนี่ยกูรู้กูรู้แต่ไม่ไม่มีทางเลือกอะยังไม่เจออะไรที่ทําให้ทําให้เขาเนี่อรู้สึกดีมาคุยเนี่ยคนหล่านี้เนี่ยมาคุยกันหน่อยได้ไหมเราเป็นมุสลิมทั้งทีเนี่ยเรามีมาตรฐานส่วสมองเรานี่มันต้องสมองสมองเพชรอะไม่เหมือนคนอื่นอะ มันต้องคิดอะไรที่มันสูงส่งคิดอะไรที่มันมันที่มันเท่หน่อยที่มันเข้าท่าหน่อยอะอะไรที่จะบ่งบอกว่าเรามีมาตรฐานสูงในการที่จะประเมินสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเป็นคนที่คิดมุมกว้างไม่คิดมุมแคบสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะตอบโจทย์ประเดี๋ยวประเด๋วเร่งแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งแล้วมันจะ รู้สึกดีขึ้นแล้วมันจะจบแค่นั้นนะไม่ใช่สําหรับผู้ศรัทธานี่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่มันจะตอบโจทยชีวิตทั้งชีวิตทั้งชีวิตแต่อะไรบางอย่างนี่มาตอบโจทย์เรื่องเดียวอ่ะทำไมสุบุรีบมันมันรู้สึกดีรู้สึกดีทุกทุกเรื่องเลยล่ะหมายถึงว่าสุบุรีแล้วมันจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นไหม สูบุหรี่แล้วทให้สภาพครอบครัวดีขึ้นไหมสุบุหรี่แล้วจะทําให้สมองเราสดใสมากทาให้เราได้ได้มีอัธยาศัยมีความสามารถในการทํามหากินมีทักษะดีมากขึ้นมหมสุบุรี่มันทามาทําให้เราได้อดทนอดทนกับบททดสอบอะไรเงี้ยเห็นนึกพี่น้อง m ุ j so a h a de, ge, no, ah in, i ด so i นที่กาซ่านี่เวลาเขาเขียดในี่ยาสูบบุหรี่ไมันไม่ตอบโจทย์นง เอาแม้กระทั่งเรื่องเรื่องที่สำคัญจริงๆในชีวิตของเราเนี่ยพ่อแม่สามีภรรยาผู้ครองลูกหลานพี่น้องของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตอะไรทั้งชีวิตแม้กระทั่งพ่อแม่อะไรล่ะที่จะตอบโจทย์ชีวิตทั้งชีวิตสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราทั้งชีวิต รวมถึงอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วนะปัจจุบันและอนาคตถ้าเรามีสิ่งถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นนะ่ะสิ่งเหล่านั้นมันจะการันตีทุกอย่างทุกอย่างนี้นะพนวกทุกอย่างเนี่ยให้มันอยู่ในก ร, รมือของเราเราสามารถที่จะบริหารมันไปในทิศ ท, ทางที่ปลอดภัยและมีกาไรสูงสุดด้วยเหตุผลนนเนี้ยในคุตตาน Allah سبحانه และ تعالى จะพยายามปลูกฝังจะพยายามบอกจะพยายามกล่าวให้เราได้เชื่อว่าพระเจ้าของเราเนี่ยตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้พระเจ้าของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ชีวิตของเราทุกเรื่องเลยนอกจากว่าอาม่านี่ใกล้ชิดที่สุดจากพวกเรา ใกล้กว่าพ่อแมใอใอ่ใกล้กว่าญาติพี่น้องใกล้กว่าคู่ครองใกล้กว่าสิ่งที่ใกล้ที่สุดจากเราเนี่ยออเราใกล้กว่าและทันใจกว่าสิ่งสําคัญอื่นในชีวิตเนี่ยพอเราจะเรียกพอเราจะให้ใหมันมาช่วยปัญหาวิกฤตในชีวิตของเราเนี่บางทีนี่ก็สะดุด สดุดไม่ไม่ทันใจบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็ก็จริงนะอัลลอฮ์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตถึงแม้ว่าเราไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเราเช็กเราก็รู้กันอยู่แล้วอัลลอฮ์สําคัญที่สุดในชีวิตอัลลอฮ์สำคัญที่สุดในชีวิต ของมุสลิมของผู้ศรัทธาก็จริงแต่เราไม่ได้ประพฤติเราไม่ได้เชื่อไม่ได้ประพฤติตามตามสิ่งที่เราได้กําหนดไว้แบบเนี้ยที่เรากําหนดว่าอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่เราเราไม่ได้เชื่อจริงแบบนั้นแล้วไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นว่าอัลลอฮ์สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเอาลัลลจะให้พิสูจน์อย่างไง อันนี้ว่าอัลลอฮ์สำคัญเป็นสิ่งที่สาคัญคือถามมุสลิมทุกคนนี่อัลลอฮ์สำคัญกว่าพ่อแม่ไหมนั่นนะอัลลอ์สคัญอัลลอฮ์สำคัญกว่าสตังไหมเออใช่ใช่ใช่ใช่ใ่เาสำคัญกว่ามือถือไหมเออเอเอแ น, น่นอนแน่นอนอัลลอฮ์สำคัญกว่าเกมอัลลอฮ์สำคัญกว่า สามีกับภรรยากับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์สำคัญกว่าบ้านสำคัญกว่าเลขบัญชีเลขบัญชีถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ขายนี่ก็เราก็สมัครไอที่ที่มันอัปเดตอัปเดตเงินที่เข้าบัญชีใช่ปะถามพ่อค้าพอ่พอพ่อค้าแม่ขา้านี่เสียงอะไรที่ไพเราะที่สุดในชีวิตเนี่ยเสียงรึกับ น, นเสียงคดทดจัดให้เลยนะเวลาเงินเข้าเนี่ยตเงนินเข้าอันนี้เสียงที่ไพรอดที่สุดเลยชอบมากเลย อ, ะอ่ะอ่าแสดงว่าขายดีขายดีขายดีายดบางทีเนี่ยสงสารพวกเรานะมนุษย์แม้แต่ผู้ศรัทธาเนี่ยสงสารพวกเราอ่ไปผูกพันไปผูกมัดกับอะไรแบบนี้แล้วก็ชีวิตของเรานี่มันก็จะ มันจะถูกจูนทุกอย่างมันจะถูกจูนแบบนั้นน่ะ น, นะแล้วเวลาเครียดเนี่ยมันก็เครียดจากจากสิ่งที่เราได้ได้ได้ตั้งค่าไว้ตั้งค่าไว้สิ่งที่สำคัญนี่คือสตังคือได้ได้แต่พ อ, อไรายได้สตังเนี่พอมันสุดลงมันก็เครียดเครียดนีว่าอะไรเครียดไม่ใช่เพราะสะตังเนี่ยมันสำคัญจริงๆเครียดเพราะเรานี่เอาสตังมาให้มันเป็นเรื่องสำคัญ เคยได้ยินคำาว่าคนบ้ารถนหะมบ้ารถบ้ารถชอบรถชอบรถยิ่งกว่ายิ่งกว่ามีอกล้างรถี่วันแล้วไม่รู้กีกครั้งเปลี่ยนน้ำมันทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยถ้าจะสังเกตกถ้าจะบีน้องสังเกตในเวลาช่วงหน้าฝนน่ะนะถ้ามีรถเ ง, งาเลยน่นนั่นะคนคะนะนะนะนะนัน่นะนะช่วงที่ <laughs> มันจะเละถนนมันเละแต่รถเขานี่ไม่ได้นะเละไม่ได้นี่รถนีสำคัญที่สุดสะอาดต้องสะอาดกว่าตัวเองอีกใช่เขาถือว่าสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาล่ะถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุกับรถล่ะโอ้โหถ้าเป็นเข้าไอซเลยน็อกเลยแีาา่าก็เหมือนคนบางคนนี่ไปชอบใครๆสักคนหนึ่ง คู่รักของเขาจะเป็นใครก็อาจจะเป็นสามีภรรยาหรืออาจจะไม่ได้เป็นสามีภรรยาก็ได้นะหลงรักเขาหลงรักเราบอกว่ามุสลิมเนี่ยต้องซิกรุลลอเยอะๆนะแต่เขานี่ยิกซิกรุลที่รักซิกรุลที่รักเยอะๆมากกว่าพระเจ้าแน่นอน ถ้าเราละหมาดถ้าวกตูนนี่เขาก็ามีต้องติดต่อที่รับของเขานีิเหมือนละหมาดเลยนะมีเวลาต้องติดต่อแล้วเรามีอัสการก่อนนอนใช่ไหมเขาก็ามีอัสการก่อนนอนเหมือนกันนะเรามีอัสการตอนตื่นใช่ไหมเขาอ่ะ เขาก็มีสเกริร์ตตอนตื่นมึงกันนะโทรหารที่รักเลยที่รักตื่นยังีมึงอะไรอะไรของมึงอ่าที่รักเป็นอะไรล่ะประสบอุบัติเหตุหรือไปโดนอะไรนี่หน้าช้าหน้าอะไรเนี่ยชีวิตของเข้าไปยังไงอ่ะโอ้เครียดเลยผู้ศรัทธานี่ตั้งมาตรฐานไว้เลยนะอะไรที่ตายได้นะอะไรที่พินาศได้นะ อะไรที่มันสูญเสียได้นะอย่าให้มีความสำคัญสูงสุดเป็นอันขาดอันนี้มาตรฐานพื้นฐานเนี่ยนะอะไรที่มีโอกาสจะตายอะไรที่มีโอกาสจะสูญเสียเน่าเฟะเละตุ่มเปะสักวันหนึ่งนะอย่าให้มีความสำคัญสูงสุด เราต้องหันมาดูนี่ผู้ศรัทธานี่ต้องหันมาดูนี่ในเมื่อคุณลักษณะของพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นนั่นหมายรวมว่าเราจะต้องให้อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาในแทนหน้าที่เป็นพระเจ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสูญเสียไม่มีวันจะตายไม่มีวันจะสูญหายไปจากชีวิตของเรา เรียกง่ายๆเข้าใจใง่ายๆอะนะพระเจ้านี่อมตะไปไหนนี่ก็ต้องพระเจ้าอยู่กับเราแน่นอนอยากจะคุยกับพระเจ้านี่คุยได้แน่นอนไม่ต้องมีไม่ต้องมีเบอร์ติดต่อด้วยคนเรานี่ยุ่ง เ, เรื่องมือถือเรื่องระบบนี่นะต้องจำเบอร์โทรศัพท์จะพร้อมเพรียงเงี้ยต้องจำเบอร์โทรศัพท์จะ จะมีสมาชิกอะไรของโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็ต้องจำอีเมลอีเมลก็ต้องจำอะไรรหัสของอีเมลนะและไอะเรานี่ก็เรานี่เป็นช่างอาวตารเหลือเกินนะบัญชีในโซเชียลนี่มีเพียบเลย Facebook นี่ก็มีสักยี่สิบบัญชีมั้งมีไว้ทำไมอย่างไว้สอดแนมก็ต้องจำ จำรหัสของทั้งยี่สิบัญชีเลยนะจำได้ไงไม่มีทางหรอกก็ต้องจดใช่ไหมแล้วแปลกนะไอคนที่มีอวตารที่มีบัญชเีเขาไม่มีแอปที่จะจดส่วนมากนี่เขาจดกระดาษเลยนะคืออะนาล็อกมากเลยต้องย้อนกลับมาจดเป็นเป็นกระดาษเลยนะเก็บแล้วก็ส่งวันดีคืนดีเอาไม่เจอละกระดาษที่จดรหัสนี่หายไป เข้าบัญชีไม่ได้เข้าบัญชีมันเครียดทำไมอ่ะเพราะชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับการสอดแนมการไปไปสอดลูคนนั้นไปแกล้งคนนู่นไปพวกเราที่นี่คงไม่มีนะคนแบบนี้นะคงไม่มีนะยายทำนะพฤติกรรมเยี่ยงเยี่ยงมูนาฟิกหละถ้าจะในโซเชียลนี่ก็ ใช้ชื่อตัวเองใช้บัญชีเดียวเป็นไงก็เป็นกันตรงไปตรงมาเราจะได้คุมตัวให้อยู่แต่ถ้าหากว่าเราเป็นอาวาตารไม่มีตัวตนไม่มีใครรู้จักสนุกนะสิจะทำอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้จะด่าอะไรก็ได้ด่าเช็คเนี่ยในเฟส e b ี่ยด่าเช็คับหลังเนี่ยด่า เสียๆ ห, หายเลยนะแล้วก็มาเจอกันอ๋อเชคสบายนีสบายีคิดถึงเชคมากเลยมากเลยอันนี้คืออาวตารกลับมานิดนึงก็คือพระเจ้าของเรานี่นะอยู่กับเราตลอดใช่ไหมแต่เราจะทำยังไงให้เราได้เข้าใจว่าอัลลอฮสุบฮานาอูดาลาเจ้า เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราและตอบโจทย์ชีวิตของเราจริงเรื่องนี้หนึ่งมันไม่ต้องพิสูจน์หมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมามาพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์พระเจ้าของเราให้ดูมาลองดูมาลองดูสมิมันมีคนใช้คำนี้ยแต่บางทีเนี่ยเราพูดในดลองดูซิใช้ได้ไหม บางคนนี่เน่ยทำเรื่องนู่นดำเนี่ยไม่ได้เอาขอเส้นสายนู่นเเส้นสะก็ช่วยไม่ได้เอาลองใจตั้งนู่นเไม่ได้เอาทำนู่นตั้งเนไม่ได้ทำยังไดีอ่ะดูลองไปทําอุหมรขอดุอาดูลองไปทําอุมมราขอดุหมายถึงว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้านะที่มีเกี่ยวกับมรนะพอมันล้มเหลวไปหมดแล้วเนี่ยเออดูดูลองดูมันลองไปขอดุอาดูมั้ยเผื่อจะได้ เพื่อจะเอได้พิสูจน์กับอัลลอฮ์นี่นะหนึ่งเสียมารายะแน่นอนเสียมารายะสองมันบ่งถึงความเชื่อต่อพระเจ้าที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันเรายังลังเลอยู่เรานี่อาจจะไม่ต่างอะไรเลยกับคนที่ปฏิสตธาเพียงว่าเราเก่ากะลิมุ่นี่แหละแต่เดชานุภาของอัลลอฮ์ละอัลลอ์เป็นที่พึ่งล่ะก็้เก็เชื่อยอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเหมือนที่ท่านเบีได้บอก ในกุโบโนี่คนจะถูกถามว่าพระเจ้าของเจ้านี่คือใครไม่ในชะคนมาลายกามุงกอร์นกิริจะถามว่าพระเจ้าของเจ้านี่คือใครมีสำนวนหนึ่งะหะดิสนบีบอกว่าเขาจะตอบบอกว่าเออได้ยินเขาว่าได้ยินเขาว่าได้ยินเขาว่ า, า, วาพระเจ้านี่คือ AH. อัลลอฮ์อ่าแล้วตระนาีของเจ้านี่คือใครอ่ะอ๋อได้ยินเขาว่าได้ยินเขาว่ามุฮัมมัดเข า, าเขาจะไม่ตอบแบบฟันธงอ่ะไม่ตอบแบบเชื่อมั่นอ่ะ ต, ตามสภาพที่เขาเคยใช้ชีวิตในโลกนี้อ่ะเอาเขาว่ากันอย่างนั้นนะก็กว่ากันแต่เขาเกิดในที่อื่นแล้วเขก็กว่ากันอีกอย่างหนึ่งแหะก็กว่าตามนั้นเหมือนกันตามที่เขาว่ากันนะ่ะนะเราก็กว่าตามเขาแต่มันไม่ได้มีขัวคําเชื่อที่มันเกิดเกิดจากหัวใจของเราอย่างแน่แท้ตรวจสอบเอาล้อไม่ได้พิสูจน์เอาล้อนี่ไม่ได้สองเราจะต้องใช้ชีวิต ประกอบด้วยความเชื่อที่เราได้มาจากพระเจ้าหลายอย่างที่มันเป็นสิ่งที่แน่นอนหนึ่งอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่สร้างตัวเราอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่ครอบครองริสกีปัจเจยังชีพทุกสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นอัลลอฮ์ Allah เป็นผู้บริหารสมการนี้เนี่ยเพียงพอที่จะให้เราเชื่อว่าอำนาจสูงสุดบารมีสูงสุ ด, สสดความสำคัญสูงสุด ในโลกใหมนี้เนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์นี่ถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลเนี่ยแล้วก็มีคนบอกว่านี่มีผู้ใหญ่คนนึ่งกำนันคนหนึ่งนาดนั้นรวยที่สุดมีอำนาจมากที่สุดมีอะไรสุดสุดสดสุดสหมดเลยนะคนนั้นจะเป็นที่พึ่งของคนในสังคมไหมล่ะมีแค่นักการเมืองเก่งนิดนึงมีตังค์นิดนึงเนี่ยเข้าสภากันแล้วมีพักพวกนิดหนึ่งจ่ายพรกพวกนิดนึงเน่ะตังค์พักกันแล้ว เอ้มีบารมีนิดหนึ่งร้อนกว่านิดหนึ่งไงนะเข้าร่วมรัฐบาลและยิ่งมีอํานาจมากกว่านี้หน่อยนี่เลี้ยงนะ น, น, นักการเมืองเยอะหน่อยนนะเป็นรัฐบาลหละถึงแม้ว่าจะตัวเล็กขนาดหนูก็ตามอะเป็นนายกได้เป็นได้มีอะไรทุกอย่างที่สุดที่สุดเล ย, ยคนนี้เกินที่สุดคนนี้รวยที่สุดคนนี้ทุกทุกทุกทุกอย่างกลายเป็นที่พึง่ง กายเป็นที่พึ่งบางทีเนี่ยคนทําความดีกับคนอื่นเฮ้ยกูทํากับมึงแบบนี้นะมึงอย่าลืมปูแล้วกันนะโอ้ไม่มีวันที่ผมจะลืมบุญคุณของท่านนะครับบุญคุณของท่านนี่จะเตีบเสมือนอะไรอยู่ในชีวิตจนจนตายผมไม่ลืมแค่นี้นะอะไรบุญคุณอะไรให้กูยืมไปแสนหนึ่งแค่นั้นนะแค่นั้นนะ่ะกลายเป็นบุญคุณล้นพ้นเลยนะ อ๋อเขาเขาช่วยให้ให้ผมบรรจุราชการผมได้ตำแหน่งนี้เพราะเจ้านายคนนี้แหละแค่นี้นะกลายเป็นบุญคุณอัลล์่ะแล้วอัลลอ์่ะเรานี่ลืมอัลลอฮ์นี่ไม่ได้ละมานฮาวะกตูไม่ต้องเงินนับซุนแน่เยอะแยะนั่ น, นมนก็เอาที่มันวัวจิบวัิบนะ่ะลืมวัวจิบฟร์ดูอะไรต่างๆลืมพระเจ้าไปหมดบุญคุณหวัวลอมึง ล, ล, ลืมึงไง บุญของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ไม่ได้เป็นที่พึ่งทั้งทั้งที่เรารู้กับรู้กับใจพระเจ้าของเราพระเจ้าและพระเจ้านี่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรู้แต่ผู้ศรัทธาต้องเอาความรู้นี้เนี่ยให้มีที่พลจริงๆเราจะเราจะเห็นเลยว่าอัลลอฮ์นี่สาคัญกว่าผู้ใหญ่บ้านสำคัญกว่าพ่อแม่สำคัญกว่าเจ้านายสำคัญกว่า สำคัญกว่าแบงก์ธนาคารสำคัญสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสาหรับผู้สรธานนี่จะรู้นี่เวลาเราจะขอริสกี้จริงๆเราขอจากอัลลอฮ์แต่กลไกของริสกีเนี่ยเราอาจจะขอมนุษย์เฮ้ยขอยืมหน่อยขอยืมตังค์หน่อยอันนี้กลไกเราก็ไม่แน่นะเขาจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมนะถูกต้องไหมแต่ที่เราขอจากอัลลอฮ์นี่เรามั่นใจว่าอัลลอฮ์จะให้แน่นอน แต่กลไกนี่มันจะมาย่างไรนี่มีใครรู้รเราพยายามพยายามเอาชาวนานี่เขาปลูกข้าวนี่ไปถามชาวนานี่โอกาสที่ปลูกข้าวแล้วก็ไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลเพราะเรื่นี้มีมีโอ้โหฝนตกเอ้ยนะฝนตกเกินนิดหนึ่งเยอะนิดหนึ่งนะไม่ได้แล้วน้ําท่วมนิดเยอะนิดหนึ่งนานนิดหนึ่งไม่ได้แล้ว แดดร้อนเกินไปนิดหนึง่งแล้วก็มีแม่รัฐบาลนี่มันสามารถปรับอุณหภูมิแดดปรับปริมาณนา้ำปรับอะไรมีแมรัฐบาลไหนชุดไหนเนี่ยในโลกเนี่ยปรับได้ไหมสงสารคนบ้านเราอนะบ้านเรานี่เขาเขาเชื่อนะว่าฟ้าดินเนี่ยรัฐบาลนี่ตั้งค่าไม่ได้หรอก ยุตศาสตร์ชาติไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ยนะปัญหาบ้านเมืองเยัยแก้ไม่ได้ละเรื่องน้ําท่วมเรื่องปัญหาหนักๆเนี่ยแก้ไม่ได้สักทีเรื่องฟ้าดินอากาศฟ้าดินเรื่อ ง, องแต่บ้านเราเนี่ยคนบ้านเราอะนะคนไทยอายน่ะเขาเชื่อนะว่ามนุษย์นี่อะไรไม่ช่วยอะไรไม่ได้แต่เขาเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อ เวลาเขาขอพรน้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกหล่อหนึ่งน น, นนะ้นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะมีไหมพระพุทธเจ้ามีไหมอยู่ที่อยู่ที่พี่น้องชาวพุทธแต่บางคนเนี่ยเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่มีอภิบาลน่ะมีความสามารถถ้าวิงวอนถ้าขอพรบางคนเชื่อแต่คำสั่งสอในในในไตรวิฎกเนี่ยไม่มี ไม่มีบอกว่าพระเจ้าพระเจ้ า, านี่เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาด้วยพระเจ้านี่ไม่ไ้ไม่ได้เป็นพระเจา้าศาสนาพุทธเนี่ยบอก็ไม่สําคัญหรอกที่จะเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือไม่เชื่อหรือมีพระเจ้าเนี่ยนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดสําคัญในในหลักความเชื่อที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยพ้นจากความทุกข์แต่ก็ยอมยอมรับว่าเออโลกโลก น, นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ทําให้ฝนหยุดให้ฝนตกให้น้ําท่วมให้น้ําไม่ท่วมให้แห้งแล้งเชื่อหรืออีกนิดหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยอันไหนอะตัวจริงอะพิสูจน์ง่ายง่ายเหลือกันอะพิสูจน์นิดเดียวมีสิ่งไหนอในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอ้างอ้างมาบอกมนุษย์เนี่ยว่าฉันมีแหละ ฉันนี่แหละที่ดูแลโลกจักรวาลเนี่ยพิสุดน์แค่นี้เพราะจะไม่มีใครอ้างเรื่อหมายที่ว่าถ้าสมมติว่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมมุติว่าอะไรนะ เ, เราก็อยากจะเอ่ยเดีขาจะหาว่าเดี๋ยโ ด, ด, ด, ด, ด, ดนคดีอะไรอย่างเงี้ยสมมุติสมมตุมมตินะครับมีคนเชื่อบ้านเราเนี่มีความเชื่อแต่ผมไม่รู้เขา เขาเขาเขาปล่อยให้เชื่อแบบนี้ทำไมแม้กระทั่งศาสนาอื่นๆคนที่เขาเชื่อในเรื่องอวัยวะเพศเนี่ยว่ามันมันช่วยให้ให้ไขาดิบขายดีอ่ะนะเพราะข้าเพราะเพราะเพราะข้าวางคนเนี่ยก็าวางไว้ตรงนั้นโอ้โหมันน่าเกลียดมากเลยบ้านเราเรื่องเนี้ยถ้าเขาเชื่อมันมันมันมันเพิ่มเพิ่มพูนได้ได้อ่ะวางไว้ตรงนั้นบางคนจะมามามาซื้อเยอะอะไรงนั้นอ่ะ สิ่งเหล่านั้นน่ะมันเคยพูดไหมว่ากูช่วยได้อ่ะเรื่องวิสกี้หาอะไได้นี่นี่นี่ฉันนี่แหละตัวฉันนี่แหละมันเคยพูดไหมนี่เราพูดแบบแบบแล้วมันมันดูดูน่าเกลียดแต่แค่ยกตัวอย่างนะในสิ่งที่มันเป็นความเชื่อในบ้านเราอย่างเงี้ยอินเดียนี่ยิ่งกว่าบ้านเรานะอินเดียนี่อินเดียนี่ที่เขาบูชาหนูอ่ะหนูบ้านเนี่ยไม่ได้นะไปแตะ หมูบ้านหนูม่ได้นะเหมือนบ้านเราเหมือนกันนะ่ะหนูตัวใหญ่หน่อยนะแต่ไม่ได้เนะดีเป็นเรื่องที่เนี้ยนี่ไม่ได้นะหนูนี่มันขึ้นมากินมาอะไรเนี่ยเขาขายของอะไรเนี่ยขึ้นมานี่ไปปัดอะไรกันที่ได้นะมีคนเขาทําสารคดีเนี่ยไปถ่ายเนียเขาเขาเขากราบกราบกร า, าบไหว้เลยนะโหอ่ะหนูมันเคยพูดไะมันเคยพูดมันมันมันนี่มันมนี่ ل ا ن ت ش و ي تأليه باق وين القرآن؟ قال اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. เ و ราะเขากล่าวว الله ทรง تنتن حبوب تنتن ف ب و ب ใ ي ยุคของ نبي صلى الله عليه وسلم และที่อริสนาที่มีความเชื่อแบบนี้ที่ดังที่สุดแลอิทธิพลได้ถึงคาบสมุทรอารับถึงมะกาถึงมาดินานี่ก็คือคริสและบางนิกายของอยู่ความเชื่อส่วนมากของนิกายคริสเนี่ยซึ่งช่วงนั้นน่ะจะมีนิกายสองนิกายใหญ่เพียงสองนิกายก็คือออโทดอกซ์และและคาทอลิก โปรโตเนนี่มาที่หลังๆนบีนะสองนี้ไก่นี้ส่วนมากกันนะเชื่อว่ามีพระบิดามีพระบุตรพระจิตก็แสดงว่าเอาเราแต่งตั้งแต่งตั้งนบีอีซานี่เป็นพระบุตรและการแต่งตั้งนี่มันก็เกิดคือความเชื่อแบบนี้นี่นะตั้งแต่สมัยนบีอิสานี่ไม่มีคริสตเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าท่านนาบีอิสานี่เป็นพระบุตรแต่อย่างใด แต่เรื่องนี้หลังจากที่ท่านนบีซาเนี่ยถูกยกขึ้นไปยังฟากฟ้าทําให้คนที่รักใคร่ท่านนบีซามากเลื่อมใสามากมันนั่งคิดว่าแสดงว่าการที่ถูกยกไปยังฟากฟ้านี่แสดงว่าท่านต้องมีอิทธิฤทธิต้องมีตําแหน่งอะไรพิเศษไงมันก็เริ่มเกิดความคิดมีความคิดนีดนเน้เกิดครั้งแรกเนี่ยจากโผล่รบูลัสก็คือลูกศิษย์ ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ตรงของของท่านนบีซาของพระเยะซูนะเดิมนี่ก็เป็นยิวที่มีความเชื่อมีความคิดเลอะเทอะมานับถือศาสนาคริสต์และเป็นคนแรกที่ปล่อยความเชื่อนี้ว่าพระเยะซูเนี่ยน่าจะเป็นพระบุตรน่าจะเป็นบุตรของพระเจ้าและความเชื่อนี้ถูกต่อต้านจนพปลเ น, นี่ยต้องหนี ตรงลีภัยเนี่ไปเผยแพร่ความคิดของเขาผ่านไปแล้วเนี่ยหลายร้อยปีจนกระทั่งความเชื่อของเขาเนี่ยขยายตัวเป็นความเชื่อคนส่วนมากในบรรดาบาทหลวงและนักศาสนาผู้นำอาณาจักรโรมันตอนนั้นนะ่ยยังไม่ได้เป็นคริสแต่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยแม่เขาเนี่เป็นคริสแล้ว แล้วก็เรียกร้องให้ลูกเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์แต่ตอนนั้นนะนะอาณาจักรโรมันเนี่ยส่วนมากในการเป็นคริสละหลังจากท่านนาบีซาเสียชีวิตไปเกือบสามสี่ร้อยปีเนี่ยตอนนี้ท่านนาบีอิสานอลอยู่แล้วก็เขาพยายามที่จะฆ่าท่านนาบีซาเใช่ไหมคือตอนนั้นนะคริสต์นิยมน้อยมากแต่ลองคิดดูสิแค่สามสี่ร้ยปีนี่นะอาณาจักรโรมันอันกว้างขวางเนี่ยกลายเป็นคริสต์หมด แต่เป็นอาณาจักรที่จะแตกสลายเลยนะเพราะมีสองนิกายเนี่ยที่ไม่ยอมกันนิกายนึ่งที่บอกว่าเฮเซูนี่เป็นบุตรของพระเจ้าอีกนิกายหนึ่งซึ่งมีจํานวนมากเหมือนกันนะ่ะบอกว่าไม่ใช่เฮเซูนี่เป็นศาสดาธรรมดาเป็นสามัญชนไม่มีอภิสิทธิ์อะไรเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นนอกจากว่าเป็นเป็นประชูดแ่ะเป็นศาสนทูตจากพระเจ้า ชื่อมันมุสลิมเลยผู้นำของพวกนี้เนี่ยชื่ออาริซิอสอาริซิอสอาหรับนี่เขารู้จักนะกลุ่มเหล่นี้เพราะกลุ่มเหล่านี้ในนะยุคของท่านในฮามัดเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อว่าท่านนาบดุซาเนี่ยเป็นเป็นพระเจา้าเป็นบุตรของพระเจา้าและนาบดีเขียนจดหมายไปยังเฮรากลิสหรือเฮรอคลกษัตริย์ของโรมัน ชันชวนใหคข้าวจะรับอิสลามแต่ถ้าจะาำไม่รับอิสลามแล้วนะ فإن لم تفعل فإنما عليك اسم الأريسيين นจดหมายนี้บันทึกโดยบุคัมมถ้าจาไม่รับศาสนาอิสลามนเจะต้องรับผิดชอบนะความยากลาบากของกลุ่มอาริซียินคือที่ผู้นำเขาชื่ออาริซิอุสอาริซียินเนี่ยาความเชื่อเขาก็เหมือนมุสลิมนี่แหละ ก็คือท่านนบีอีสาหนี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ไเป็นพระบุตรแต่ช่วงนั้นนะ่ะกลายเป็นกลุ่มชนส่วนน้อยอา้าวตะครานุ่นในยอดน่ยก็ตะครานงเกือบึ้นต่อึ้นต่อคึ้ น, นใช่ผู้นําของโรมันก่อนจะตายนี่นะเขาบอกกับมะเขานี่ว่าถ้าจะให้รับอิสลามเนี่ยอาณาจักรของฉันเนี่ยต้องมีความเชื่อเดีอ้วแต่มีความเชื่อแบบนี้ลเลอะเทอะนี่ไม่เอา เขาก็เลยจัดประชุมที่เมืองมีเกียมีเกียนี่ตอนนี้อยู่ที่ตุรกีแต่ตอก่อนนั้นน่ะตอก่อนนั้นน่ะมันคือตุรกีตอก่อนเนี้นถือว่าเป็นเป็นพื้นที่สําคัญของอาณาจักรโรมันไปประชุมกันแล้วก็เรียกบรรดาบาทหลวงทุกนิกายทุกความเชื่ยมาประชุมกันมากันเป็นร้อยรอย้ยเลยเป็นร้อยคนเลยแล้วก็ถกเถียงกันถกเถียงกันไม่รู้หลายวันนะ เรื่องเดียวเรื่องสําคัญที่สุดก็คือจะเอาไบเบิลเล่มไหนเพราะตอนนั้นในไบเบิลเยอะเหลือเกินทุกนิกายทุกทุกความเชื่อนี่ก็มีไบเบิลหองเขามีไบเบิลเนี่ยที่ความเชื่อในไบเบิลน่ะนะเล่มนั้นน่ะนะสอดคล้องกับกุรอ่านเป๊ะเลยชื่อชื่ออินยิลบาร์นาบาซึ่งบาร์นาบานี่เป็นหนึ่งในลูกศิษย์สิบสองคนของเพซูเนี่ยลูกศิษย์ใกล้ชิดด้วย เขาเป็นคนที่ถ่ายทอดคำสอนของท่านนาบีอสาในในไบเบิลในที่บาร์นาบ้าเนี่ยในประชุมนั้นน่ะ น, นะลบบาร์นาบ้าถือว่าเป็นเป็นเล่มเฟกเป็นเล่มทำไมอะ่ะเพราะมีความเชื่อสำคัญที่เขารับไม่ได้นี่ว่าท่านนาบีอีสาไม่ใช่พระบุตรสรุปแล้วมติเสียงส่วนมากนะเสียงส่วนมากในประชุมนั้นน่ะนะว่าอีสานี่เป็นพระเจ้าไม่ใช่เป็นมนุษย์ นักปราสชาวคิสคนนึงบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดในประวัติศาสตร์ว่าคนนึงจากมีความขัดแย้งว่าเขาเป็นแต่ไม่เป็นนี่นะไมีกันนึงนะกลายเป็นมติว่าเป็นพระเจ้าเฉยเลยนี่เป็นเรื่องที่แปลกที่สุดในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่ออัลลอฮ์บอกว่ากลุตัเขากล่าวกันนะั่นนะอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้แต่งตั้ง ไม่ได้ไม่ดประสงค์เรื่องนี้เลยอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งพระบุตรอิตตะฮานีที่นี่เนี่ยเขาแปลคาว่าอิตตะฮะะอิตะอัลล์เขาแปลนี่อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งแสดงว่าอิตตะฮานีแปลว่าแต่งตั้งซึ่งมันไม่ค่อยละเอียดนะอิตตะฮานีมาจากกริยาอัคฮะอัคฮะแปลว่าอา เอาอันนี้ถ้าเป็นเรื่องวัตถุขอให้ตั้งมาเราก็เอาแต่จะเป็นเรื่องที่มันเป็นนำมาทำหน่อยเขาให้นี้มาให้ให้หนักแน่นเขามีคำสั่งสอนฝากมาจะให้หนักแน่นหนักแน่นเราก็บอกว่าเราจะยึดเอาเป็นเป็นคำสั่งสอนที่มีความสำคัญ ยึดก็เอาเหมือนกันนะยึดแต่เราจะยึดถือเพราะมันไม่ใช่สิ่งวัตถุงไงมันเป็นคําสั่งสอนยึดถือเราจะเอามายึดถือซึ่งอันนี้เนี่ยสอดค้องแล้วก็คำแปลกูรอ่านเรื่มอื่นนี่เขาก็จะใช้คําเนี้เขากล่าวว่าอัลลอฮ์ยึดเอาพระบุตรหมายถึงวะ เขาอะไรสักอย่างนึงอะมาเป็นบุตรมาเป็นลูกที่ดังที่สุดตอนนั้นเลยก็ฮอย่างที่เล่านะมีอีกไหมมีนิกายยิวบางนิกายนี่เขาหาว่าผู้รู้คนหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นบุตรแล้วเราก็เล่าเรื่องของพวกนี้ว่าก้อละติเลหูดูอูเซยรุนิบุลล์ยิวนี่เขามาโกอเย์เป็นบุตรของอัลล์อย์นี่คือใครอะ โอ้ไซลีคือผู้รู้คนหนึ่งที่สาม آ ا ารถอ่านเตลรอทั้งเล่มหลังจากที่ยรูซาลิมแล้วก็อาณาจักรของยิวยหูดาซามิรนเนเป็นอาณาจักรหลังทนายบีดาหุนนายบีสุเล ม, มานอาณาจักรที่ใหญ่ถูกตีจากจากอาณาจักรเปอร์เซีย เมืองเยรูซาเล็มแตกละตะัทธิศาสตร์ของเปอร์เซียนี่เขาเอาชาวยูทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งชาติเลยนะขนเป็นเชลยนี่ไปเปอร์เซียหมดผู้รู้คนไหนนะ่ะคนไหนนี่เป็นผู้รู้ดังๆนี่เนี่ยขจัดหมดสังหารหมดฆ่าหมดเตาร้อนนี่มีไหนอะ่ะตาร้อนของเขาอนะเนี่ยเผาหมดเผาจนกระทั่ง ชาวยูวเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงคำสอนไบเบิลเอ่อคำสอนเตวระหรือตราของเขาเลยจนมีผู้รู้คนหนึ่งไม่ค่อยมีชื่อเสียงชื่อออไซรพอเขาไปอยู่ที่เปอร์เซียแล้วก็เรื่องมันเริ่มสงบแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยให้อิสาราเอลในใจอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยเรามาเรามาเขียนตรากันอีกครั้งหนึ่ง สามารถที่จะเขียนตัวราจากความจำของเขาเนี่ยทั้งเล่มอยู่ก็เลยทึ่งสิขนาดนี้เชแสดงว่าพระเจ้าส่งมาต้องเป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนหัวก้อละติเลอยหูดูอซรูนิบนุลโลมีทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของความเชื่อที่เกิดจากมนุษย์ที่เห็นความสำคัญของคนคนหนึ่ง คริสเห็นความสําคัญของพระเยซูของนบีซาอ้าสถาปนาเป็นพระบุตรเป็นเป็นลูกของอัลลอฮ์ยิวเห็นความนิกายหนึง่งเห็นความสําคัญของโอเซเนี่ยสถาปนาเป็นบุตรชาวอาหรับนี่ก็ไม่แพ้นะในข่าวสมุดอาหรับเนี่ยซึ่งมันน่าจะเป็นความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมเปอร์เซียอินเดียจีน อาหรับลำพังอาหรับนี่ไม่สามารถคนคิดสิ่งเหล่านี้ได้อะไรล่ะมาลายกิกาอาหรับนี่เขาบอกว่ามาลายิกาเนี่ยเป็นบุตรสาวบุตรธิดาเป็นลูกสาวของอัลลอ์ทั้งนั้นนะยังไงเทวดาบ้านเราหน้าจาเป็นยังไงเป็นสาวไหมะฮะ เอวดาส่วนมากเนี่เป็นสาวถ้าเปอร์เซียอินเดียนี่นะใช่เลยเป็นสาวผมว่าน่าจะเป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากนี้แหละมาจากฝั่งเนี้ยพอตก่อนโนนนะอาดับเนี่ยาก็ไปทาไปทาธุรกิจทั่วเลยความเชื่อแบบนี้เนี่ยก็หลงมาได้นะครับความเชื่อจนเป็นความเชื่อที่อาดับที่อาดับนี่เขาเขาเขาหนักแน่นมากเลยนะ แล้วเราสุภาโนจะเอาความเชื و, ا, ت, اي, ่อนี ah wa, a, ้เ <c> น <oughs> ah ี e ni, ani, ่ยมาโต้เขาตอนที่อาหรับนี่มีพฤติกรรมถ้ามีลูกสาวถ้าได้มีลูกสาวเกิดมานี่ก็จะไม่ชอบบางคนก็ฆ่าบางคนก็เนรเทศบางคนก็ทิ้งไปไม่เลี้ยงอ่ะลูกสาวฉันไม่เอาเราก็บอกว่าทีตัวเอง่ะมีลูกสาวนี่จะทิ้งแล้วที่อัลลอฮ์นี่ให้มาเลกันเป็นบุษวของอัลลอฮ์ใช่ไล่ะอัฟอาสฟาคุมรับบุคุมบิลเบนิน วัดทนนู้ เ, เ, เหมินจ้เก็นขอมก่าเพระเจ้ า, จ า, า, า, า, าที่พรนะเจ้าทรงสร้างขึ้นมา ตําหนิเขาว่าถ้าหากว่าเชื่อในอัลลอฮ์จริงๆเพราขอจากอัลลอฮ์นี่ให้ให้มีลูกชายไงใช่ไหมและอยากได้ลูกชายยิ่งแสดงว่าอยากได้ของดีใช่ไหมลูกชายนี่เปนของดีใช่ไหมแต่ที่จะเสนออะไรกับอัลลอฮ์นี่นะี่เกี่ยวกับความเชื่อนี่นะเสนอเพศหญิงที่พวกเจ้านี่ไม่ชอบต่อกรณ์ น, นั้นในอาหรับนี่เพศหญิงนี่ก็เรื่องอับอายยศเลยอะ่ะเขาจะถือว่าร่างไม่ดี มีลูกสาวเยอะในแสดงว่าจนใีบ้านเรานี่มีความเชื่อแบบนี้มีลูกกี่คนอันนี้คำถามแรกะคำถามที่สองคืออะไรนะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนไม่มีนะไม่มีใครมีลูกกี่คนเฮ้ยแล้วมีลูกสาวกี่คนนะไม่มีไม่เคยไม่มีนะไม่มีใครถามแบบนี้มันฝังลึกๆอ่ะ ผู้หญิงผู้ชายกี่คนถ้าคําตอบว่าออผู้หญิงทั้งนั้นน่ะอืมจนสําหรับมุสลิมเนี่ยเขาเชื่อ ว, ว่าจนเนี่ยเพราะอะไรเพต้องใจอ่าไม่ถ้ า, ถ, าถ้าเป็นผู้ชายถ้าลูกชายถ้าลูกชายกี่คนน่ะผู้ชายทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวจนต้งใจมาฮ์ดในเขาลูกสาวอ่ะรวยรับมาฮ์ดเหมือผิดเง้ยมาฮ์ดเนี่ยมันของผู้หญิงเขาไม่ใช่ของพ่อแม่ ก็มีความเชื An ่อผิดเหมนกันน <ro> <icer> ่ะอาราบตะก่อนนูนน่ะก็มีความเชื่อนี่นะว่ามาลายกาเนี่ยเป็นบุตรสันี่ก็เป็นคาตอบว่ากอลตัคฮอัลลอฮ์อัลล์ได้มีบุตรมีเนี่ยที่เชื่อว่ามาลายกาเนี่ยเป็นบุตรแต่มาลายกาเนี่มาลายกาที่เป็นตอนนั้นน่ะนะท่านนบีและสหายนี่ก็เริ่มเผยแผ่อิสลามแล้วนะแล้วก็อารบก็มาเถียงนบีนะเสียงส่าเนี่ยมาลากาเนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอ์ทั้งนั้นน่ะอบุลเบ สุดดีกก็ถามคนที่เอ่ยความเชื่อนี่เป็นลูกสาวของอัลลอฮ์และแม่มันนะและแม่มาลายก็เป็นใครอะอยินไงจินอัลลอฮ์ก็เลยโตขกันในคุรานเหมือนกันนะว่จะวลูกเบญเหววเบญลจินเนตีเนซบะเขาอ้างว่าระหว่างยินกับอัลลอฮ์เนี่ยมีความเป็นเครือญาต เคยา่านนพะ่อะไรก็มาไลาก้มาไลากะนี่เป็นลูกสาวของอัลลอ์แล้วก็แม่ของมาไลาก้านี่ก็คือยินแต่เขาไม่กล้านะไม่เหมือนคริสที่บอกว่าท่านหญิงมารยัมเนี่ยเป็นเป็นภรรยาของอัลลอ์บางนิกายนี่พูดชัดเจนเลยนะพูดอย่างนั้นเลย อารบเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะบอกว่าอ๋อยินแสดงว่ายินเนี่ยเป็นเมียเป็นเป็นเป็นภริยาของของพระเจ้าเขาไม่กล้าพูดแบบนี้แล้วก็มีเป็นเครือญาติเขาเป็นแม่แม่ของมาเลยกะนี่ทั้งหมดมีความเชื่อทั้งหมดนี่เป็นตัวอย่างที่ผมบอกกับพวกเราตอนต้นเนี่ยว่ะต่างคนหาความสําคัญในชีวิตของตัวเองให้มันเป็นที่พึ่ง สมัยโบ ร, โบราณนี่เรื่องความเชื่อนี่มันมันช่วยเยอะเอาอะไรที่มันเป็นที่พึ่งที่มันจับต้องได้แล้วถ้าจับต้องไม่ได้นี่เอาอะไรมามาเป็นนมามธรรมที่มันสามารถที่มันสามารถตอบโจทย์ได้มาเลยกานี่เป็นที่พึ่งได้นะเทวดาสิ่งสําคัญเรื่องนี้มาจาก โรมันครีสนี่ก็มีนะบรรดาเทวดาที่มันที่ถูกมอบหมายจากพระเจ้าจากซิอสุสซิอุสนี่มีมีลูกน้องเยอะนะมันบริหารโลกทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าบรรดาพระเจ้าทั้งหลายแล้วก็บแบ่งกันแบ่งอานาจกันมีมีมานานแล้วอะ่ะเอาเท่น้องจับต้องไม่ได้อะ่ะก็มาสร้างหูปันให้เป็นตัวแทนนี่แล้วมันก็กลายเป็นที่พึ่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยพอเป็นพอมี เจวิตแล้วมีรูปปั้นแล้วที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าอะนะอา้าถ้าว่าอย่างนั้นนะตากอากาศอย่างนั้นนะก็ต้องสร้างบูที่ต้องสร้างต้องสร้างวิหารศาสนสถานนะสร้างซะใหญ่ยยโตนี่เพื่อแสดงถึงความจงรักภัดีต่อพระเจ้าองค์นี้ไนงะพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอ้าจะอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ต้องมีคนมารับใช่ก็ต้องมีนักศาสนาต้องมีคนมาดูแลนี่ศาสนาอุปโลกเราเนี่ยที่สร้างความสําคัญให้มัน เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอ้างว่ามันเป็นที่พึ่งแต่มันเป็นที่พึ่งจอมปลอมไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้เคยเล่าให้พี่น้องหลายครั้งน่ะสราบว่าคนหนึ่งชาวมาดีนาะอิ น, นบีมามาดีนาแล้วนี่ก็ยังไม่ยอมที่จะรับอิสลามแั้นนบีที่มาดีนาเนี่ก็ยังไม่บังคับใครเลยนะใครอยากจะเป็นยูกับเป็นยูเหมือนเดิมอ่ะนะ ใครยังบูชาจเจวทเหมือนกูไดนะ้ช่ไหมก็ไม่ไม่ว่าให้ให้สมัครใจในการรับอิสลามก็มีอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงดังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนมีตังอะลูกเขารับอิสลามเป็นวยรุ่นนะ่ะสนหน่อยเขาเจ็บใจที่พ่อเขาเนี่ยทุกวันนี่นะตอนเช้าเนี่ยก็ต้องมากราบไหว้จเจวทตตัวนี้กราบไหว้กราบไหว้ ก็ไปทำมาหากินพอกลับมานี่ยก็กราบกรบกราบทำยังไงดีให้ให้ขยับความเชื่อของพ่อแบบนี้กวันหนึ่งแอบเอาเจาเวด ท, ที่พ่อเขากลับไหว้นี่นะี่ย <c oughs> เอาไปทิ้งที่กองขยะพอมาตอนเย็นไปไหนอะหายไปไหนอะลูกถามมาอะไรนะ พระเจ้ า, าของฉันนี่หายไปไหนอ่ะหายมีด้วยพระเจ้าจะหายได้ไงไปดูทีออ่อยู่ตรงโน้นในอยู่ตรงนอยู่ตรงโน้นตรงโน้นหรือป่าแล้วก็ไปนั่งหาเนี่ยจนไปเจอที่กองขยะเอามาล้างมาอาบน้ำอย่างดีใส่น้ำหอมกราบขอเข้ามาอีกวันหนึ่งก็เหมือนกันหายไปพระเจ้าหายก็ไปหาเอาเนี่ยจนเจอเนี่ยมาอาบน้าอย่างดีใส่น้าหอม วันท no ี่สามนี nee, ่นะหายเหมือนกันแต่พอไปเจอกองขยะนีะเานั้นน่ะนะอันนั้นน่ะมันมันกระทบมากเลยเจอสุนัขนิกเกิลันฉี่ใส่เลยอ่ะนึกภาพสุนัขนเวลามันฉี่มันทำยังไงบางทีเนี่ยไอไอฉากนั้นน่ะนะฉากนั้นเน่เจอพอดีเลยสุนัขนิกเกิลัอ้าขาแล้วก็ฉี่ใส่พระเจ้าของตัวเอง ตอนนั้นน่ะก็ไม่เอาละกลับบ้านพูดเป็นกลอนเลยอรบุญยบูญุตสาลูบานวิปพระเจ้าอะไรเนี่ยต่อยให้มาฉีใส่มันนะ่ะพระเจ้าแบบไหนนี่วะอะไรไม่ไหวอ่ะคุไม่ไหวไ ม, ไม่ไหวก็แ <c oughs> บมัดค้นหาความจริงกับตัวเองนี่พราะว่าเออมันใช่นี่เป็นพระเจ้าได้งไงอ่ะ ปั้นมากระมือเนี่ยตั้งชื่อด้วยตัวเองจัดพิธีก็จัดเองทุกอย่างนี่ทําเองหมดเลยแล้วมาเชื่อเองว่าพระเจ้านี่ที่ช่วยได้พระเจ้านี่ที่ให้ริสกีพระเจ้านี่ช่วยวิกฤตมาเองทั้งนั้นน่ะแต่พระเจ้าข้อที่จริงที่เราไม่ไจัดฉากกันเลยนะัมันมาเองอย่างเนี้ยทนไม่ได้สิพระเจ้าแบบไหนเน่ยอะไรนี่พระเจ้านี่ซึ่ง่งนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไง ในยุคนั้นน่ะนะครับที่มีการประทะด้านความคิดเยอะมากเลยบางทีอาจจะไม่ถึงไม่ไม่ถึงต้องต้องมีฉากเห็นสุนัขนีม้มาฉี่ใส่นะแต่แค่ถกเถียงกันเหมือนที่ท่านในาบีอิบราฮีมถกเถียงกับกลุ่มชนวนของเขาฟัลูวมรนกรันอยาเติกูจะวท่ทั้งหมดนีถูกทำลายยกเว้นตัวใหญ่ใครทำใครทําพบอกว่านี่ไงมีตัวหนึ่ง ยังน่ะไปลองไปถามนี่มันอาจจะเห็นนะมันต้องเห็นนีเนี่ยที่ถูกทําร้ายหมดได้ในนี้เนี่ยต้องตัวนี้มันต้องเห็นดิถามดิแต่รู้ถามมันสิเองแก่หนูยังตีกูถ้ามันพูดได้นะถ้าเราได้อุปโลกพระเจ้าเองอุปโลกสิ่งสําคัญเองในชีวิตนะนะมันก็ยังพอทํานาไหวนะมันมันมันเราอะเราเราโกหกเองอ่ะ คือเรารู้ว่าเราโกหกใช่ไหมแต่น <submarine> ี่เรากหกนี่นะแล้วก็ยังอ้างว่าอัลลอ์อัลล์เป็นผู้แต่งตั้งอลตัซัลลอฮวดะซุบฮานะมฮบริสุดมาฮบริสุ์พระองค์ท่านซุบฮานะมฮบริสุ์ซุบฮานะฮูเป็นกริยาในภาษาเราคุยกว่าอิสมฟิล อัมร์บีมานะอุนซิฮูมันเป็นการิยาแต่รูปร่างของมันนี่เหมือนน้ำคำว่าสุบฮานะมันไม่เหมือนรูปร่างของการิยาแต่มันมีเนื้อหาความหมายเหมือนเป็นการิยาตีความได้ว่าความหมายของคําว่าสุบฮานะสุบฮานะแปลว่าอุนซิฮูข้าพระเจ้าขอยืนยันว่าอัลลอฮ์นี่นะบริสุทธิ์จาก สิ่งที่เป็นมลทินหรือเป็นความบกพร่องใดๆเรา บ, บริสุทธิ์อุนซิทุกครั้งที่เราได้กล่าวสุบฮานัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮฺเยลิมที่เรากล่าวสุบฮานัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮฺเนี่ยเรากําลังสรรเสริญสะดุดีพระเจ้าของเร า, าว่าพระเจ้านี่พระเจ้าเราไม่มีความบกพร่องไม่มีข้อตําหนิไม่มีสิ่งมลทินใดๆเลยสําหรับพระเจ้าของเรา เพราะฉะนั้นถ <Christ. S 2> ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์สำคัญจริงนะสาคัญจริงนะแลวเรากล่าวสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ในขณะที่กล่าวสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์เออแล้วที่ฉันขออลลอ์ไปนี่ทาไมทำไม้าไล่ละสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์มันต้องแก้มันต้องมันต้องลบล้างความเชื่อว่าเรานึกว่าอัลล์ชัดช้าล่ะอัลลอลลอฮ์ทิ้งเราไปแล้วเหรอถ้าอัลลอฮ์ทิ้งเรานะ ถ้าเราดุทิศต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับเพียงที่เราเชื่อน่ะนะแสดงว่าอัลลอฮ์มีความบกพร่องแต่เรากำลังกล่าวสุบฮานอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีความบกพร่องเราต้องเชื่อเรนเป็นไปไม่ได้ที่เราละหมาดทุกวันนี่แล้วก็สุบฮานะอัลลอีมสุบฮานะอัลลอฮ์สูบฮานะอัูลอ์สูบานะอัลลอฮบฮานะอัลลอฮ์สุบฮานะอัลลอฮ์สูบฮานะอัลลนฮ์สุบฮานะอัลลอฮ์สูบฮาอัลลอฮ์สูบฮานะอัลลอฮ์สบกพร่องเลย หมายรวมว่าอัลลา์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันที่ฉันไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่าพระองค์เนี่ยสำคัญจริงๆและไม่มีความเชื่อข้อสงสัยใดๆที่จะที่จะทำให้ความเชื่อนี้มันวันไหวหรือมีมีความไม่แน่นอนมีความไม่ไม่ไม่นิ่งนอนไม่ไม่แน่นจะไม่ยอม له ์แม้ในสวรรค์และแม้ในแผ่นดินฮวกนุค سبحان เขาไม่แอบริษัทพระองค์ฮวลกนิพระองค์ทรงพอเพียงจากสิ่งใดๆพอเพียงจากสิ่งใดๆอ๋อลกนิุจะแปลว่าร่ํารวยได้จะแปลว่ามั่งคั่งก็ได้ แต่มันจะไม่มันยังไม่ครบถ้วนทำไมอ่ะคนร่ำรวยมั่งมีเนี่ยถ้ายังต้องการคนอื่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะก็ไม่ไดไม่คร่ำรวยรวยมหาเศรษฐีแสนล้านแต่เขาขาดอะไรสักอย่างหนึ่งต้องต้องไปหาหมอต้องไปหานักการเมือง ต้องไปหาพนักงานมาช่วยงานก็ต้องไปหานู่นแล้วรํารวยยังไงอ่ะทำไมทำไมเขามีเงินเขาร่ารวยทไมไม่ไม่ช่วยได้อ่ะเอาเงินมาเนี่เงินมาเงินมาวางเป็นพนักงานช่วยเขาได้ไหมเอาเงินนี่มาตั้งให้มันล้างเช็ดบ้านได้ไหมไม่ได้ต้องไปจ้างคนอันนี้แสดงว่าต้องการเขาอ่ะเอารับสมัครคนรับใช้ที่บ้านมาทำความสะอาดที่บ้านปัจสุบันกมมีคนมาล่ะ เช็ดบ้านเองสิครับท่านท่านต้องเช็ดบ้านเองตอบไม่ง่ายๆเธอเธอคนคู้รวยกันหมดเลยไม่มีอะไม่มีใครจะมามาล้างบ้านให้เราท่านไม่ง่ายล้างเองอะอย่างนี้ความร่ํารวยมั่งคั่งนี่มันมีประโยชน์อะไรล่ะเขาก็เลยแปลครับว่าอัลรเงินี่นี่ความร่ํารวยที่แท้จริงอ่ะนะพระองค์ทรงพอเพียงจากสิ่งใดๆคือไม่ต้องการ ไม่ต้องการอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยพระองค์ทําได้ด้วยตัวเองเอ็นนามะอโมรุหุอิระอชอถ้าพระองค์ประสงค์อะไรนะสักอย่างหนึ่งนะไอ้กุลละหลูพระองค์นี่ก็จะตรักกุลจงเป็นไส้กุลมันก็จะเป็นไม่ต้องรับสมัครก่อนนะมีมาลัยข้าจะมาช่วยฉันตรงเรื่องนี้ไหมมาลัยข้าก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำอะไรการนี้ไม่อยู่เลยเนี่ยเรากับบริหารโลกจักรวาลนี่้วยตัวพระองค์ท่านเองหูวละนิอยู่ผู้ศรัทธาที่อยากจะเป็นคนรวยนะเขาจะเป็นคนถ่อมตนเพราะจะรวยแค่ไหนเนี่ยท่ก็ไม่ไม่รวยเท่ากับพระเจ้าหรอก ไม่รพียงแ่แพระเจ้าและตัวอย่างของความร่ำรวยของพระเจ้านี่จะอยู่ในความสํานึกของมุสลิมเศรษฐีถ้าเป็นมุสลิมจริงๆนะยังไงก็ไม่ลืม Allah พูดสถานะร่ำรวยแค่ไหนเศรษฐีแค่ไหนก็ไม่ลืม a l l a ทำไมอะ Allah นี่คือธนาคารที่แท้จริง คนรวยนี่เขาจะมีข้อผูกพันหนักแน่นกับธนาคาร เ, เขาเบอร์ที่เขาเซฟนี่ในมือถือเขานี่เบอร์ธนาคารนส่วนมากผู้จัดการธนาคารนู่นนู้นนทุกอย่างของเขานี่มันก็ต้องไปด้วยธนาคารจะเปิดสาขาใหม่ฮลัลโหลช่วยหน่อยนะจะสร้างคอนโดใหม่หคนสำคัญสำคัญ แต่สำหรับผู้ศรัทธาจะเป็นคนรวยหรือคนจนน่ะนะมีเบอร์อมตะเบอร์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเบอร์ที่ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อมาจากไหนไม่ต้องไปขอจากไหนจำได้ง่ายด้วยเบอร์ น, นี้นะไม่ต้องไม่ต้องประมูลน่ะไปประมูลเบอร์ง่ายๆเกเกาเกาเกเกาเกเกาเกา เก้าเก้าเก้าเก้าเก้าเก้ามันจะได้จําได้เก้าเก้าตัวจะได้จําได้ของเราหนิง่ายกว่านี้อหัวเรินิยเชื่อจริงๆริงไหล่ะคนสําคัญที่สุดในชีวิตของเรานี่คือผู้ที่ร่ํารวยที่สุดที่สามารถให้เราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจริงๆและจะให้เราในสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่เหมือนไม่เหมือนบางคนเนี่ยเราขอเขาเนี่บางทีเขาก็ไม่รู้ไง ลูกซนๆหน่อยนี่พ่อแม่ก็รักมากลูกค้นโปรดพ่อจากจะไปฟังคอนเสิร์ตนี่มีตั๋วสามพันห้าสี่พันห้าห้าพันห้าไม่รู้ทำไมมันต้องต้องอย่างนี้มันมันมีตั๋วสาม0ันห้าสี่พันห้าและห้าพันห้าเอาไปเลยลูกห้าพันห้าจะได้นั่งที่ดีๆนะลูกเอาไปเลย อนรักลูกนะจะให้ในสิ่งที่ไม่รู้ลูกนี่จะให้ยนะลูกคนโปรดเลยให้ทุกอย่างเลยแต่พระเจ้านี่ไม่ไม่ใช่บางทีเราไปขอในกลวสิ่งเหล่านั้นมันดีสำหรับเราโอ้ Allah ขอให้ฉันได้ได้ทำสัญญกรรมจมูกจะได้มีจมูกสวยๆจะได้มีแล้วถ้ามีตังอีกปิดหนึ่งก็จะมาทำตรงนี้มันจะได้ แล้วก็ล่มาดิสิขราระวัลลขเขา Allah ไม่ให้หรอกขอไปเถอะ Allah ไม่ให้หรอกเพราะ Allah รู้่ะถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วการัก a l l a รักคำสอนของพระองค์จริงๆ a จะไม่ให้แล้ววันเกียมมาเนี่ยเราจะขอบคุณ Allah ลลที่ Allah ลลไม่ให้ในโลกนี้เนี่ยเราอยากได้อะไรเยู่เยอะแย ะ, ยะไปหมดอยากได้มือถุนเนี่ยแล้วก็ขอแล้วก็ฝัน ฝันเนี่ยรุยาเดี๋ยวนี้เนี่ยเยอะนะเช็ดผฝันเห็นมือถือไอโฟอนสิบเจ็ดหนึ่งเอ า, ามึงอยากได้ทั้งหางไม่ใชรุม่ใช่รุยาเราเราไม่ได้บอกมึงหรอกว่ามึงจะมึงมอยากได้รุยานี่ต้องแยกนะบางทีหาดีสุ น, นับสนี่ของอยากได้ตัวเองอยากได้อาจารย์คนหนึ่งเขา อ, อยากจะสอนลูกแบบนี้เนี่ยอะไรนี่อยากจะเห็นนบีอยากจะเห็นนบี เขบอกอยากเห็นนบีไหมอยกเห็นนบีเอาเกลือสักกิโลหนึ่งนะนะแล้วก็ละลายในขวดน้ํามันแล้วก็ดื่มเราเห็นนบีอนอนแล้วก็นอนแล้วก็อาจารย์อาจารย์เห็นน้ํานี่เนี่ยเป็นทะเลเลยนะแล้วผมเนี่ยหิวน้ํามากนี่ยอยากกินน้ํานี่ทั้งทั้งมหาสมุทรอยากกินน้ำเนี่ยก็นนั่นนะมึงไปกินน้ําเกลือน้ําเกลือก็ต้องหิวน้ํำดิ อยากถ้าเรารักนบีจริงๆนะนะถ้าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้นบีมาปรากฏกับเราเนี่ยในฝันนี่นะนี่ประสงค์ของอัลลอฮ์สุภาเนาตาล่ะจริงๆถึงแม้ว่ามันเกิดจากตัวเรานะแต่แต่นบีไม่ได้มาเพราะเราเพราะเราเรียกนบีมาเราอยากงั้นแล้วนบีจะมาเฉยเลยงั้นไม่ใช่เราจะประสงค์ให้หรือไม่ให้เพราะเรื่องเรื่องฝันเนี่ยนะมันเรื่องโดยเฉพาะจะเกี่ยวกับบุคคลนะมันเกี่ยวกับวิญ ญ, ญาณ วิญญาณนบีหรือวิญญาณพ่อแม่ที่จะมาปรากฏในฝันนี่นะอันนั้นนะที่เราได้เห็นน่ะวิญญาณของเขาอ่ะเราจะอนุโมใั้วิญญาณใครเนี่ยของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาปรากฏกับวิญญาณของเราตอนนอนเพราะตอนนอนเนร่างกายของเรานี่มันไม่ทำงานละวิญญาณเนี่ยที่มันไม่นอนน่วิญญาณยังยังวิญญาณของเรานี่มันสามารถคุยได้วิญญาณของคนนุ่นมาเนี่ยคนนี้มานี่เราถึงเห็น บางทีเนี่ยบางคนฝั น, นเห็นเห็นคนนู้นคนนู้นคนนี้มารู้จักไม่ไม่รู้จักใช่อาจจะเป็นวิญญาณได้ร่อนมามาเจอวิญญาณเรานี้วชวนคุยเป็นไปได้เล่าผูมาฟิสมาวค์และผู้มาในโลกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและที่อยู่ในแผ่นดินเป็นของพระองค์เราเชื่อแบบนั้นจริงไหม เราเชื่อแบบทัานจริงทุกส uh ิ่งทุกอย่างอราเลาะครอบครองหมดอยู่ในกรรมสิทธ BO ิ์ของพระองค์หมดแต่สิ่งที่เราได้อุปโลงขึ hmm ้นมาเป็นพระบุตรของอัลลอฮ์เป็นลูกสาวเป็นลูกชายของอัลลอฮ์นี่นาอัลลอฮ์บอกว่าอินนันดารุมมินสุลตานิบีฮะนะพวกท่านไม่มีหลักฐานใดๆในการกล่าวเช่นนี้ที่เขากล่าวข้างบนนะไหนว่าว่าอัลลอฮ์แต่งตั้งแต่งตั้งพระบุตร ไม่มีหลักฐานใดๆในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวกล่าวหาอัลลอ์พวกท่านจะกล่าวร้ายต่ออัลลอ์ในสิ่งที่พวกท่านไม่รู้กระนันหรืออันนี้ร้ายแรงมากนะครับคุณอินนัลละีในอัฟตารูนะอัลลอฮิลก k a d i b a าย y ฟลิ i ูนถ้าโกหกใช่ๆอ่ะนะมันก็บาประดับหนึ่งแต่นี่ก็เอาคำโกหกโตโตแบบนี้เลยแล้วก็มาใส่อัลลอ์ กล่าวด้อัลลอฮ์อัลล์พูดอัลลอฮ์บอกว่านี่เป็นเป็นพระบุตรจงกล่าวเถิดโอ้โมฮัมมัดแท้จริงบรรดาผู้กล่าวทิศ ต, ต่ออัลลอฮ์นั้นพวกเขาจะไม่ประสบความสาเร็จดอกเหมือนฮะดีสงท่านบนีสุลลัลอยสซลลัมที่ถูกอุปลโลกฮะดีสเกแล้วเราก็ไปฟังมาไม่ตรวจสอบสายรายงานยังไงถูกต้องไหมไปฟังมา ่านมาทิกตอกนี่มีเพียบเลยใครเร่งงานนะติกตอกรดยาลลอฮุอันุเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยก่าวก่อนนอนเจ็ดครั้งแล้วจะไม่จนมาผมรับบ่อยเลยนะเช็คจริงไหม <laughs> อไอ้จริงไม่จริงนี่ไม่รู้หรอกแต่อ้เนี้ยบทเนี้ยเจ็ด เจ็ครั้งก่อนนอนเนี่ไม่มีแน่นอนไม่มีตัวบทแน่นอนเยอะมากเลยผมเคยบอกพี่น้องกนะันนะเรื่องศาสนานี่จะติ๊กต็อกนี่นไม่ได้นะครับไม่ได้นะถ้าไม่มีบัญชีที่ชัดเจนของบุคคลผู้รู้ที่ชัดเจนที่น่าเชื่อถือนี่นะใครที่แชร์อะไรนี่นะพี่น้องฟังเหมือนเหมือนขา่าวอัเนี่ยขา่าวไอ้ใช้หนังผีเนี่ยตังเยอะ แต่ไม่ต้องเอามปปฏิบัติแต่ถ้าเป็นบัญชีขององค์กรของนักกุชาการที่ถูกต้องชัดเจนนะที่ตวรวจสอบได้นะว่าเป็นของเขาอะนะอันนั้นนะพอพอที่จะบริโภคได้นอกจากนั้นสองลิงอะไรนะบัญชีของใครก็ไม่รู้นิ玛บังเฮฮาแล้วเรื่องศาสนา แล้วเรงศาสนาจะอเออแล้วใครคือคนที่เขาจะส่ผมจะถามคนคนี่เป็นใครอ๋อไม่รู้ครับถ้าไม่รู้ก็ที่ถ้าไม่รู้ที่เขารายงานมานี่นะก็ไม่ต้องรู้เหมือนกันถ้าบุคคลนี่รายงานนี่นี่นี่คืออุจจาริสเนี่ยอุจหาริลามเขาบอกว่าฮาริสไนี่พรอะไรเพราะคนนี้ไม่รู้เป็นใครนี่ใครเนี่ยไ้บางคนได้บัญชีของทิกต็อ f a c e บ o o k กระดาเนี่ยคนนี้รายงานนี่รงาคนเนี่ยเป็นใครไม่รู้ไม่รู้นี่ก็ นี่งายนิดเดียวถ้าไม่รู้จักก็เป็นใครนะตัดไปเลยและอย่างเนี่ยนี่อันตรายมากนะง่ายเหลือเกินะนะนะฮัตติยาวฟุยเลยนะเราเรื่องเอาเป็นตัวเป็นตาเลยนะแล้วก็ทิ้งท้ายเนี่ยเหมืนอนพวบุครีและมุสลิมเนี่ยคือบางอาดของเขาอะคือทิ้งทายอะบุคลีและมุสลิมไม่ใช่บุคลีและมุสลิมพราอะไรเพราะเจ้าของบัญชีเนี่ยก็ไม่รู้เป็นใครแล้วนี้ทํากันเยอะเลย น่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งรื่งานไรเจ้าบุคารีนะมุสลิมมาะต้องดู่าไปได้มาจากไหนเจ้าของบัญชีที่เขาเอาโพสเนี่ยมาติดเนี่ยเป็นใครทาไม่รู้จักเนี่ยกระตัดเหมือนกันน่ะเชบุคารีมุสลิมเนี่ยช่งเหอเราเอาชัวร์ของศาสนาดีกว่าแต่ถราจะเก็บเกี่ยวอะไรอะไรมากันอะไรก็รับมาเอากระนี้บุคฮารีเนี่ยสมมุติว่าไม่ใช่บุคารีแล้มุสลิมละ แล้วมันพิสูจน์ได้จริงนะว่าวอเป็นว่าหลายเคสนี่ห่วมันไม่ใช่ไงอย่างที่เขารายงานมาแตาอุมฟิดดุยาซุมมาอีเลนะมรจิ่งหุ่มทุมมะนุษย์อุหมุลอาดามะชัดิดะบมาคานยัรุนยที่บาคับีนอัลละที่เราได้เอาอะไรมาเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในชีวิตแต่มันตายได้มันสิ้นสุดมันสูญหายได้อันนั้นก็คือมาตตาความเพลิดเพลิน ในโลกนีแต่เดี๋ยวปดาดมีความสุขชั่วคราวได้แต่มันอยู่ไม่นานหรอกมันช่วยเราได้ระดับเนึ่งแต่มันไม่สามารถช่วยได้ตลอดการวันเกีย ม, มานี่มันช่วยได้ไหมซุ่มมาแล้วอิไลนามาร์จอฮุมพวกเขากลับคืนมาสู่เราก็ต้องมาหาใข่เรานี่คืออะละ และในเมื่อการกลับของเรานี่ต้องไปหาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นี่ยังอยู่กับเราในโลกดุนยานี้เนี่ยเอาอัลลอฮ์สุบฮานาวตาเลมาเป็นที่พึ่งของเราในโลกนี้เนี่ยถ้าเรากลับไปหาอัลลอฮ์ในวันเกียร์มันนะนะเราจะไม่รู้สึกอึดอัดเราจะรู้สึกอุ่นใจทําไมเนี่ยเพราขาอยู่กับอัลลอฮ์เราอยู่กับอัลลอฮ์ในโลกนี้เราไม่ได้หายไปไหนอัลลอฮ์อยู่กับเรา ในการทํางานในการทํามาหากินในการอยู่กับครอบครัวในการใช้ชีวิตอัลลอฮ์อยู่กับเราถ้าเรากลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะวาตาล้เรามีคําตอบเหมือนที่ท่านนบีอิสราอัลลอฮ์ได้เล่าการสอบสวนท่านนบีอันตะกลินนาสติดูนีราอุมมีอิัลาบากผู้คนให้เขายึดเจ้าและมันดาของเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าอื่นจากข้าหรือ กล่าวสุบฮานักนะฮะบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านไม่คุณลีอันอักล่ามาเลยสักบีเหรอนไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะพูดอะไรที่พระองค์ท่านไม่รับพระไม่รับทราบไม่อนญาติอิงกุ้นตุกุ้นตู่ถ้าหากว่าข้าพเจ้าพูดแบบนี้แล้วนี่นะฝักดาลิมต์จพระองค์ท่านต้องรู้แน่นอน تعل มうまในนั ولا ك إن ك أن ้นสีว่าละเอาโลมาในรั้นสิค่ะนักนักนักนักนักนักนอกนักนักนักนัขนักนักนักนักนักนักนักนักนักนีกน่กนักนักนักนัเนักนักนงกนักนักนักนักนักาักนักนักนักนักงักนักนงกนักนั่นักนักนักนักนักนักนักนักนักนักนักนรกนักนักนงกนักนักนักนักนักนักนักนักนแล้วกนากนักนัลนักนันักนน ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทาอยู่กับอัลลอฮ์ในโลกนี้นี่พอกลับไปหาอัลลอฮ์ซุนไบอิเลีนามารจิอุฮุมเราก็กลับไปหาอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ تعالى เราย่อมมีคาตอบกับอัลลอฮ์คตอบมบนีนนบีสาบกว่าแต่ะอมุมาฟินาซิบองรู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของของข้าพเจ้าแล้วก็รู้แต่คนที่กลับไปหาอัลล์โดยที่อัลลอ์ไม่ได้อยู่กับเขาในโลกดุนยา t h i เนี่ยแต่ดุนยาอยู่กับอะไรอยู่กับพวกมาต้าสิ่งที่เพลิดเพลินน่ะ สิ่งที่เป็นที่พึง่งที่ไม่อัมตะที่ไม่แน่นอนอัลลอฮ์บอกว่าวันกียมาเนี่ยเราจะให้พวกเขาลิมรถการลงโทษอย่างหนักทมมะนุีกูม้ด้วยากามรู้เพราะเหตุที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาคือปฏิเสธพระเจ้าต้องแยกนะบางทีเนี่ยผู้ศรัทธาหรือมุสลิม ยอมรับเนี่ยในอัลลอนี่เป็นพระเจ้าอยู่แล้วเนี่ยแต่พฤติกรรมของเขานี่มันฟ้องว่าความศรัทธาไม่คุยสมบูรณ์พฤติกรรมคนเหล่านี้เนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสัธศรัทธาไงในเมื่อวาจาของเขาหรือการกระทําของเขาบางส่วนเนี่ยยืนยันในความเป็นผู้ศรัทธาแต่ส่วนอื่นของวาจาและการกระทําเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องกับความเชื่อและคําปฏิญาณตน เราจะแก้ยงไงเรือนเกียรมาเนี่ต้องไปแก้ในโลกนี้เนี่ยเราอ้างได้ว่าเราเป็นมุสลิมเฮ้ยมาเอาเรื่องฉันไม่ได้นะฉันเป็นมุสลิมนะฉันมีกะลิโมนะมีกะลิมไม่ว่ากับแต่เราไปทําอะไรลึกลับอะไรเราเชื่ออะไรในใจนี่นอกจากอัลลอฮ์นี่วันเกียมานี่นะวันเกียมาถเราจะไปอ้างอะไรกับอัลลอฮ์นี่นี่หลอกอัลลอฮ์ม่ไดแน่นอนแสดงว่าจะมีไม่คนในโลกนี้เนี่ย ต่อหน้าต่อตาเราเนี่เป็นมุสลิมแล้วเราเอาเรื่องกับเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแท้ๆเลยเนี่ยเหมือนผู้นำเนี่ยถล่มฮามาสถล่มฮามาสตลอดสองปีนะช่วยด้วยรวมถึงกาตานะ่นะกาตานะ่ะประเทศตัวดีเลยเนี่ยล่าสุดนี่มีข้อมูลหลุดม า, าช่วงสงครามนี่นะก็ไม่หยุดมีประชุมกับทหารไอ f เนี่ของอยิวเหมือนกันนะ่ะ แต่พอทําข้อตกลงหยุดยิงแล้วเนี่ยมากันมาถ่ายรูปกันนะว่าทุกคนเนี่ยอ้างบุญคุณยีบก็อ้างบุญคุณกร ะ, ะตาก็อ้างอ้างบุญคุณเนี่ยเรานี่เนี่ยปกป้องปาลิสตินเราปกป้องชาวกษัาริย์ปกป้องแต่ลึกลับเนี่ยโทรไปคุยกับนิจินยาโฮโทรไปคุยกับรัฐบาลยูนี่ต่อหน้าต่อตาชาวโลกคนละอย่างกันเลยวันเกียมากนี่ค่อยคอยดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถูกปกปิดนี้นะ่ก็จะถูกเปิดเผย ล้วจะรู้ว่าอะไรอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเราไม่ดีว่าคนอื่นแล้วก็นึกลัวตัวเองเนี่ยดีที่สุดสิ่งที่พวกเราต้องกลัวมากที่สุดส่วนผมนะที่กลัวมากที่สุดเรื่องที่เราประพฤติในความลับอันนี้น่ากลัวที่สุดสิ่งที่เราแอบทาอ่ะ แล้วมันไม่ใช่วิสัยของเราอะเราเป็นผู้ศรัทธาเราเป็นคนดีแต่ทํำไมทําความชั่วเหล่านี้เนี่ยเนี่ยทุกคนจะต้องมีเรื่องนี้นี่น่ากลัวที่สุดนอกจากว่ามันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยหลงไหลไปกับมันนะ่ๆแล้วก็ไปทํามันให้มากขึ้นทําให้เยอะขึ้นจนอาจจะหลุดหลุดศาสนาไปเลยเนีย่ก็ได้ซึ่งมีคนเคยเจอแบบนี้ก็มีแต่นอกจากนั้นอนะเรื่องนี้เนี่ยที่มันอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยบั่นปลายชีวิตเนี่ยไม่รู้จะจบยังไง ต่ของลึกลับแบบนี้ที่แอ บ, บทำกันแล้วก็ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์เนี่ยโดยที่คนเนี่ยเขานิกว่าเราเป็นคนดีแต่เราเนี่ยชั่วแท้ๆเลยเรื่องนี้เนี่ยที่เราต้องมาทบทวนกันเยอะ ป, ปุงแก๊ไขครครับวัสามุอะลัยกับอับดุลาฮมาิะมุฮัมมัดวะลัลลอฮั ع ع มยัคำถามไหมครับ <c oughs> ิสลามห้ามตบมือถ sa um, uh um ้าเป็นเรื่องศาสนาเพราะมันเป็นพิธีของชาวกรีกตอนขัตวว่าม่คานหัวแมาคานตัวว่าห่มม่คานหัวแม่คาน صلاة ทุ่มกันเดลเบติอิลลามุกาอนัวตัสดีกคือการตาวาของเขานี่รอบกาบ้านเนี่ยเขาจะปกมือตัสดีนี่ปกมืออัลลาก็เลยอกว่าปกมือเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่การกระทําที่เหมาะสมเวลานาบีบอกว่าให้ทักอิหมัมผู้ชายนี่กล่าวสุภาลลร่าผู้หญิงให้ทําอะไรปบมือผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่มีผู้ชา ย, ยแล้วผู้หญิงเนี่ยจะปบหรือผู้ชายไม่ทักและอิห ม, มัมอารียาบทนี่ผิดลืมมุลกุ๊ะลืมสุยูเนี่ผู้หญิงทำยังไงปบมือเอาฝ่ามือขวานี่มาปบมือหลังมือซ้ายอย่างนี้ ว่าเขากอดมืออยู่แล้วกอด อ, อกอยู่แล้วใช่ป่ะทำแบบนี้ออาทำไมก็แสดงว่าสําหรับผู้ผู้หญิงไม่ควรที่จะออกเสียงในในฮิมัสิดเนี่ยไกลปลบมือเขาก็บอกว่าปลบมือนี่มันไม่เหมาะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยเอาเช่นประกวดอ่านอย่างเงี้ยเอาคนนี้ได้ที่หนึง่งปลบมือมันไม่เหมาะที่จะอ่านหรือว่า تفسير แต่สิร์เสร็จแล้วผมกำลังพูดอะไรเนี่ยเอาชอบใจเนี่ยปอบมือกันโอ้โหเช็ดตุ้ยตุมันไม่เข้ากันนะมันไม่เข้ากันแล้ก็เลยบอกว่ามันไม่ไม่ถูกต้องมันเป็นการเรียนแบบสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ศาสนาเล่นบอลกันยิงเข้าประตูเนี่ยปอบมือได้เล่นบอลแต่ถ้าเล่นบอลที่นู่นนะนะอ่าแล้วก็อาชนะอาปอบมือได้ปอบมืออย่างเดียวนะแต่เอย่าปนนะอย่าเลอะนะ เราบุรุษเราบุรุษสิกุ่นอบไปด้วยไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาเอาเลือกอย่างนึงอย่างได้ปบมือกับปบมือไปแต่จะตะเบียรก็ตักบียรไปเลือกอย่างหนึงอย่างได้แต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนากิจกรรมศาสนาเนี่ยไม่เหมาะกับกันปบมือแต่ไม่ถึงขั้นบาปาแม้กระทั่งที่เข้าตัวแล้วมีงานศาสนาแล้วก็ปบมือเนี่ยบาปไม่ไม่บาปไม่ถึงขั้นบาปนะทําไมเพราะมัอไม่มีตัวบท ที่สามารถมาฟันธงว่ามันเป็นบาฮารอมมันไม่พูดทารอมมียากไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ถึงขั้นบาปไม่ได้มามกรุนีถ้าไม่บาปนี่ก็อย่างน้อยก็มกรุมันมีบาปมันมีฮารอมมกรุหมู่บ้านมันมีฮารอมมกรุและหมูบ้านถ้าไม่ใช่ฮารอมล่ะก็ต้องมกรุเพราะถ้ไม่ใช่มกรุนี่ก็มูบ้านผมก็ไม่ต้องพูดยาตะกี้เนี่ยถ้ามันมู่บ้านนะถ้ามันได้อะนะ ผมก็ไมผมใช้คําว่าไม่เหมาะไม่ถูกต้องไม่ดีไม่เข้ากันนี่อย่างน้อยนี่ก็มากรู้น้อยนะทำงานหมออกว่าแผไทยเนี้ยเปบราที่เป็นภาษาบาลีอาา่านได้หมออะไรอะ่ะหมอนวดอะ่ะนวดใช่ไหมหมอมั น, ม, าา น, น, ม, นมีหลายอาจารย์อ่ะในอคนมันต้องมีหลายหลายอาจารมันจะมีตำราภาษาบาลีอยู่ประมาณสาเล่มใช่ใช่วิชาอะไรหมอคนระแต่ว่ามันเป็นหมออะไร แผนอะไรแผนไทยอะแผนไทยนุ่ใช่ไหมยายาแพทย์แพทย์กินยาใช่ไหมเวชกรรมมันเป็นแผนเวชกรรมเอาว่าจะก็ยายายายาใช่ไหมยาใช่ไหมคือกลัวเนี่ยเชกลัวมากเลยเรื่องเนี่ยดูโกจะเป็นอย่างอื่นนะยุถ้าเป็นยาเป็นแผนนดอะไรพวกเนี้ยที่เป็นประโยชน์นะนะเเป็นภาษาอื่นนี่ได้ แต่ก like ็ต้องต้องระวังอ่ะมันก็มีอะไรพิธีอะไรของเขานี่ต it ้องระวังนะต้องระวังอ่านได้แล้วบาหลีอ่านิดหน่อยก็ได้การยอมของสัตานี่เป็นมักรูหรือฮารอมก็มีขีดลนะครับทศนะส่วนมากบอกว่าได้แล้วบางทศนะบอกว่าฮารอมแต่ฮาริซีที่ที่เขาอ้างว่าฮารอมนี่มันอ่อนหลักฐานนิดนึ่งไอ้กุฎอ่านนี่ไม่มีพูดถึงเรื่องนี้นะ ก็คือฮัตติส่ ว, วนมากเดียวฮัตติสนะครับซาฮร่าก็มีย้อมหลายท่านแต่ย้อมมีคาร์เราจะได้หลีกเลี่ยงนะะถ้าจะย้อมมันนะผู้ชายเนะถ้าผมขาวเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยเนี่ยผมขาวเยอะอนเนี้ยย้อมได้แต่อย่าย้อมหมดทำไมถ้าย้อมหมดนมันเกงจะเป็นการเข้าขายหลอกลวงอนะอ่าอายุหกสิบแล้วก็ย้อมเนี่ไปขอสาวบอกว่าแล้วอายุลงเท่าไหร่เอลงอ น, นี่แค่สามสิบเอง มีดูเลไม่มีเส้นผมสักเส้นเลยไม่มีงอกเลยนี่อันนี้หลอกลวงแต่ถ้าหากว่ายอมไปนิดนึงเนี่ยให้ดูดีหน่อยแล้วก็มีขาวเนี่ยเออแสดงว่าเราไม่ได้หลอกลวงเราก็เออเราก็ยอมรับในสภาวะเนี่ยอันนี้ก็พอได้แต่ยอมทั้งหมดเนี่ยผู้ชายนะผู้ติดผู้ชายนะยอมทั้งหมดเนี่ยไม่ควรก็ยอมสีมันสีชาวบ้านนะนะไม่ใช่สีตาราเกาหลีนะเทวเหลืองแดงเนี่ยนี่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ผู้หญิงนี่ได้หมดนะถ้าจะประดับประดาตัวเองให้ สามีอะไรก็พอได้แค่หาเจอว่าสีดำไม่ได้นี่ที้เราพูดถึงสีดําเนี่ยที่เราพูดตะกี้เนี่ยสีดําแต่สีแต่สีอื่นนะ่ะนะคื อ, คอต้องดูความเหมาะสมด้วยเรื่องเรียนแบบกาเฟตเรียนแบบอะไรมีสีกำลังฮิตตอนเนี้ยสีหมาป่าเออคือเขาเนี่ยเด็กกับผมดําอยู่แล้วใช่ปะ่ะไม่ชอบดําเนี่ยไม่ชอบก็ต้องทําให้เหมือนเหมือนขนหมาป่า สีเทาสีขาวปนกันนะั่นะคือโพมาที่ไหนนี่เออใช่เลยหมาป่าไ ม, ไม่เหมาะเลยไม่เหมาะหรือพวกสีเหลืองสีแดงสีเขียวอะไรพวกเนี้ยนี่ไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงถ้าเจตนาที่จะประดับประดาตัวเองนะแล้วาาออะนะ ก, กว็สามีชอบมันนะก็เอ่กันแล้วแต่ได้สามีชอบมันนะผู้หญิงสีเหลืองผมสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยสามีชอบมนะันนนี่ก็แล้วแต่ ก็เช <mile inside> ิญเข้านะเชิญเข้านรกเลยเชิญเป็นปะเชิญเข้านรกยังไงอะรู้บอกหลังไหม่จะจะรู้ยังไงอ่ะ อ๋อไม่จําเป็นไม่ชผมนึกว่ารู้จริงไม่แบบนี้ไม่ได้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้ก็ได้อาจจะแข็งขาดมาจากยูเครนก็ได้รัสเซียก็ได้เออหนี้สงครามหลายที่ไม่ใช่ที่นั่นทีเดียวอการคำพักของเด็กที่จไม่อัเดตบาเล็กครับแล้วก็เวลาเขาตัวอัพเดบาเล็กมาแล้วเนี่ยเป็นต้องดูสภาพเขาใช่ทัศนคอุลตร้าส่วนมาก <c oughs> บอกว่าต้องทําอีกรอบหนึ่งพอที่ทําเนี่ยได้ผลลบุญของฮัตอมรสุนนะแล้วพ่อแม่ก็ได้ด้วยนะ่ะอพอบรรลุศาสนาภาวะแล้วนี่ก็ยังถือว่าไม่ได้ทําฟอรดูเพราะเขาบอกว่าทัศนาอุลัมาสศว่าเขาบอกว่าเด็กเนี่ยเนีย่ยของเขามันยังไม่สมบูรณ์เด็กกันนะถ้ายังไม่บรรลุศาสนาอรณเนีย่ยของเขายังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ละหมาดเลยละ่ะบาปไหมาไม่บาปเห็นไห ม, ม เพราะอะไรเพราะเพไม่ไม่เราไม่เอาผิดไม่เอาโทษกับเขาเนื่องจากาเจตนาของเขาความตั้งใจของเขาเนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เราก็ไม่เอาบาปแต่อเลาให้เปรียบในการนี่ทำความดีได้บุญบุญนี่ไม่สูญเสียแต่ความสมบูรณ์ของบุญเนี่ยสถานะของความเป็นฟ福ดูนี่ก็ต้องมาทำใหม่ทีทัศนะาอุลมาส่วนมากนะมีบางทัศนะที่บอกว่าทําแล้วก็ถ้าครบถ้วนสุถูกต้องนะก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วแต่ทัศนธค่อนข้าง อนะไม่ค่เยมีเหตุผลนะครับครับความก b i นเรื่นี้นะครับอัลลอฮุบ حان ะจัลลอฮ์โมบิฮั شهدو الله لا إله إلا أنتأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآل ا ل ي وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة